ท่านพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่มักน้อยในอธิคมแต่ขณะเดียวกันพระอริยไม่เคยตรนีในมักผลเลยท่านอยากให้โลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยได้รับการบรรลุมักผลเช่นนั้นเนี่ยนะอย่างที่อุบาลีครหบดีเนี่ยนะสูต่ต่อไปเขาบอกว่าพอบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะพระพุทธเจ้ากลับใจจากปุุชนเป็นพระอริยเจ้าสาเร็จใช่กลับใจจากภาวะปุชนกลายเป็น พระโสดาบันเสร็จพระองค์ก็อุบารีก็ถูกอาจารย์เก่าเขาบอกว่าเขามาเราบอกว่าท่านถูกมนต์กลับใจไปแล้วหรือก็บอกโอ้ยมนต์กลับใจนี้ดีนักแหล่ะคพระเจ้าอยากให้ญาติสาโลหิต ท, ทุกคนเนี่ยนะได้รับมนต์กลับใจอันนี้กันทุกคนเพราะมนต์กลับใจนี้ดีนักแหลเอ้ากลับจากปุถุชนเป็นพระอริยมดีขนาดไหนใช่ไหมทีนี้ถามว่าเขาบอกว่าอยากให้เนี่ยญาติหรืออยากให้ชนบทประชาชนทั้งหมดในที่สุดบอกว่าอยากให้โลกพร้อมทั้ง เทวโลกเนี่ยได้รับมนต์กลับใจเหล่านี้ให้หมดเพราะอะไรเพราะนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็คือกลับใจจากปุถุชนเป็นพระอารียเจ้าเนี่ยนะบรรลุมรคผลตรัสรู้ไปแล้ว น, นะสะรุปว่าพระพุทธเจ้านี่สันเสริมสนเสริมพิสุรรูปหนึ่ ง, ไงไที่ตัวเองเป็นผู้มีความมักน้อยละความปรารถนาเกินขอบเขตละความปรารถนาลามกละความเป็นผู้ มากมากอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มักน้อยอันนี้คือคุณสมบัติของพระปุณณมันตานีบุตรพระปุณณมันตานีบุตรไม่มีการปรารถนาเกินขอบเขตไม่มีความปรารถนาลามกเหมือนมีความมากมากเพราะเป็นผู้มักน้อยด้วยคุณธรรมอันบริสุทธิ์คืออโลภะ <c oughs> อันเป็นปฏิปัติต่อต่อโลภะปรารถนาด้วยอำ น, นาจโลภะโดยประการทั้งปวง อโลพะเนี่ยอะตัวนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์นะความไม่โลภชื่อว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภปฏิปักษ์นี่แปลว่าอะไรศัตรูใช่ไหมปฏิปักษ์ปักขะแปล ว, ว่าฝ่ายปฏิปแปล ว, ว่าต่างไปเลยอ่ะก็คืออยู่ในฝ่ายที่ต่างกันแปล ว, ว่าเป็นข้าศึกแก่กันและกันอะโลพะคือสิ่งที่กาจัดโลพะข่าศึกต่อโลพาศัตรูของ โลภะพระปุณณนาะมันตานีบุตรอยู่ในฐานะผู้ที่เป็นจิตของท่านเนี่ยเป็นข้าศึกต่อโลภะท่านมองว่าโลภะที่ที่มีหรือจะมีเป็นข้าศึกและเป็นศัตรูท่านเป็นดำรงอยู่ในฐานะผู้กำจัดโลภะเนี่ยนะเรียกว่ามักน้อยตัวมักน้อยจริงๆเป็นชื่อของอโลภะอะโลภะมีอุปการะคุณหรือไม่มี มีอุปการะคนเนี่ยนะเป็นเรียกว่าเป็นมิตรภายในเนี่ยนะเป็นเรียกว่าผู้อุปการะผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลอยู่ในภายในเนี่ยนะเรียกว่าเป็นอะโลภาอะโลภานี่มีอุปการะคุณมากผู้ที่ดํารงอยู่ด้วยภาวะแห่งอะโลภะเนี่ยผู้นั้นต้องมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติจึงจะดํารงอยู่ในภาวะแห่งผู้ที่มีอะโลภาอยู่ได้นั้นคนที่ไม่โลภเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนโง่นะ ไม่ได้โง่เลยเนี่ยนะกลับตรงกันข้ามเป็นคนที่มีปัญญามากรู้ว่าถ้ามีแต่ละสิ่งแล้วผลลัพธ์ตามมาเนี่คืออะไรคิดว่ารู้รู้รู้มากเลยนะมีปัญญามากมีปัญญาจนไม่รู้จะเอามาทำไมเมนน่เข้าใจเลยว่าเมื่อมีสิ่งนั้นแล้วในที่สุดแล้วมีเพื่อประโยชน์แก่อะไรก็เลยดำรงอยู่ในภาวะของผู้ที่ไม่ ไม่โลภเนี่ยนะไม่ใช่โง่เขาเลาเบาบรญญาแล้วก็บอกโอ้ไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยนะพอดีนึกขี้เกียจหาวขึ้นมาขี้เกียจแล้วแบบโอ้ยมักน้อยดีกว่าเนี่ยนะเขาบอกว่าตรงนี้แหละที่ที่ธรรมะคำว่ามักน้อยมีอยู่ยุคหนึ่งรัฐบาลออกมามารณรงค์ว่าพระภิสุยาสอนเรื่องมักน้อยเลยเนี่ยนะเพราะอะไรทําให้เศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองไม่ดี เพราประชาชนเกลียดคร้านมากเนี่ก็มีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยมาศึกษาว่าโอ๊ยคนอีสานเนี่ยนะเคร่งคัดในธรรมะคำสอนคําสอนพระพุทธเจ้าสอนให้มากน้อยเขาก็เลยขี้เกียจกันเลยเนี่ยนะเขาก็เลยขี้เกียจเขาก็ไม่ค่อยทําอะไรเพราะทุกคนมากน้อยมีพออยู่พอกินพอใช้ก็เลยไม่ขี้เกียจมากเลยนะเพราะฉะนั้นมากน้อยไม่ดีเนี่ยนะเพราะอะไรก็ดูจากสมอะไรนะกลุ่มประชาชนนี่มากน้อยทั้งหลายหลายยากจนกันหมดเลยมากน้อยที่ไหนทางธรรมะนั่นไหนเรียกว่ามากมากเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะไม่เจริญกุศลนี่เรียกว่าเป็นคนมกักมากคำว่าจ ะ, ะมักน้อยเนี่ยแปลว่าละอะกุศลคือโลภะแล้วเจริญอะโลภะให้มีกําลังแล้วก็เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นบางคนเอาคําว่ามักน้อยไปอธิบายคําว่าอะไรนะคือจริงๆเป็นคนขี้เกียจอะตัวเองเป็นคนขี้เกียจก็เลยแม่แม่ฉันเนี่ยมักน้อยมากเนี่ยนะนะอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเนี่ยที่ไหนได้ขี้เกียจเนี่ยนะ อันหนึ่งอันหนึ่งก็งโง่มากเกินกนกว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรที่จริ ง, รงก็เลยเอาอันเนี้ยเอาคําว่ามักน้อยมาอธิบายว่าอธิบายความงโง่เขลาของตัวเองที่จริงได้ตัวเองไม่มีปัญญานั่นเองเนี่ยนะก็ต้องพยายามเข้าใจว่าหนึ่งฉลาดจริงหรือรู้ไหมอะไรเป็นอะไรสองเป็นคนมีความเพียนหรือเป็นคนเกียดคร้านแล้วค่อยว่าในเรื่องของความมักน้อยเพราะมักน้อยเป็นเบื้องต้นเพราะมักน้อยมันตามด้วยสันโดษไม่คลุกคลี นะมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีแล้วก็ปรรบความเพียรบริบูรณ์ด้วยศีลบริบูรณ์ด้วยสม า, ธ, ญญามธิบริบูรณ์ด้วยปัญญาบริบูรณ์ด้วยวิมุตติบริบูรณ์ด้วยวิมุตติยานัศนนะจะตามด้วยคุณธรรมอย่างอื่นตามมาอีกเยอะเนี่ยนะตามด้วยการบรรลุมรรคผลต่อไปไม่ใช่ว่าก็คลุกคลีเกลือกกลั้วอยู่กับบาปอกุศลธรรมแล้วบอกว่าเป็นคนที่มักน้อยเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยนะ แคนี้พอแล้วเนี่ยแค่ไหนจึงจะพอจริงอรหัตผตลนุนแหละจึงจะดำรงอยู่ในฐานะแห่งความเรียกว่าถึงที่สุดแล้วถ้ายังไม่ดํารงถึงภาวะแห่งอรหัตผตลแล้วเนี่ยคําพูดทั้งหลายใช้ไม่ได้เลยโดยมากะนะถ้าไม่พูดตามคําสอนนะถือว่าโดยมากผิดหมดเนี่ยนะเพราะบางคนเนี่ยเ อ, เอาเอาเขาเรียก อ, อะไรนะขี้เกียจก็เลยบอกว่ า, วามักน้อยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการประกอบอาชีพเรื่องอะไรอุทานะสัมปทาเป็นต้นเนี่ยนะก็เรื่องความขยันมันเพี้ยน แล้วใช้คําว่าอาบเหงื่อต่างน้ําด้วยเนี่ยนะเรียกว่าอาบเหงื่อต่างน้ํากุลบุตรนั้นภาพเพียนด้วยความขยันมันเพียนจนได้มีปัจจัยแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขเลี้ยงดูครอบครัวเป็นต้นให้เป็นสุขเนี่ยนะเมื่อดํารงอยู่ในภาวะเลี้ยงตนและครอบครัวเป็นต้นให้เป็นสุขชีวิตอยู่ดีมีสุขชีวิตเป็นไปได้ไม่เดือดร้อนทั้งปัจจุบันและต่อต่อไปถามว่าเเวลาชีวิตที่เหลือไปทําอะไรเ่าเนี่ยนะ เอาเวลาชีวิตที่เหลือไปทำอะไรก็ไปเจริญอารยะคุณทั้งหลายเอาเวลาชีวิตที่เหลือนี่ไปเจริญคุณธรรมทั้งหลายนั่นเองมันอันนี้เลยเรียกว่าเป็นผู้มักน้อยเนี่ยนะก็คือจะได้เอาเวลาของชีวิตไปเจริญกุศลธรรมไปเจริญคุณงามความดีต่างๆนั่นเองทวนย้อนกลับมาว่าพระปุณณะเป็นคนที่มักน้อยและท่านสามารถที่จะแสะดงธรรมว่าแสดงธรรมชี้โทษของความเป็นคนมักมากว่าไอ มักมากเนี่ยมันเป็นยังมันมีโทษอย่างไรปรารถนาเกินขอบเขตนั้นมีโทษอย่างไรปรารถนาลามมกนั้นมีโทษอย่างไรเป็นผู้มักมากเนี่ยมีโทษอย่างไรเพราะฉะนั้นควรละอย่างไรแล้ววิธีการละละอย่างไรท่านแนะแนวชี้แนะวิธีการว่าคิดอ <Impact. S 2> ย่างงี Otto, <haps> ้มันไม่ดียังไงคิดยังไงจึงจะเลิกคิดแบบนั้นได้คิดยังไงจึงจะเลิกปรารถนาไม่มีขอบเขตได้นะนะคือท่านบอกได้เลยว่าคิดอย่างนี้มันลามก คิดอย่างนี้มันเป็นบาปถ้าละบาปอย่างนี้มันมีคุณอย่างไรถ้าเกลือกกลืออยู่กับบาปอากุโสลธรรมเหล่านี้มันมีโทษอย่างไรคือท่านสามารถแสดงให้ฟังได้ขณะเดียวกันท่านก็สามารถที่จะบอกให้พระพิสุเนี่ยสมาทานประพฤติในความเป็นผู้มากน้อยท่านใช้คําว่าสมาทานไง ส, สมาทานศีลสมาทานว่าสมาท า, า, า, านว่าไง ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามีข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าถ้าสมาทานมากน้อยลนะ่ะข้าพเจ้าขอสมาทานเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในความเป็นผู้มักน้อยเนี่ยนะว่าต้องคิดน้อมไปตามความมักน้อยถือเอาความมักน้อยเป็นปริมาณเนี่ยนะอย่าลืมนะ่นหนึ่งมากน้อยในอะไรในปัจจัย4ก็คือรู้จักว่ามีพอใช้แล้วก็ จะได้เอาเวลาที่เหลือไปเจริญคุณธรรมทีนี้เมื่ อ, อมักน้อยในทุดงก็หมายความว่าเป็นผู้ที่ขัดเกลาแล้วก็ไม่ต้องการโฆษณาตัวเองแล้วก็มักน้อยในปริญญาเรียนรู้มากแต่ก็ไม่ลำพองไม่อวดตัวแล้วก็มักน้อยในที่คมบรรลุมรรคผลแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นรู้เนี่ยนะดำรงอยู่ในคุณธรรมอันนี้ว่าเราจะเป็นผู้มักน้อยช่างเถอะคนอื่นเขาจะมากมา ก, กขอให้เขามากมากไปก็เรื่องของเขาไปแต่ขอเราขอเป็นผู้ที่ มากน้อยเนี่ยทีนี้ก็ดูว่าเรามีบุญที่จะช่วยให้คนอื่นมากน้อยได้ไหมมีบุญมีความรู้มีความสามารถพูดให้คนอื่นมากน้อยได้ไหมพระปุณณนะเนี่ยท่านเป็นผู้มีบุญตัวท่านเองเป็นคนที่มากน้อยบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนให้ผู้อื่นดํารงอยู่ในภาวะฐานะแห่งผู้มากน้อยได้เนี่ยนะอันนี้เป็นข้อต้นและขณะเดียวกันเนี่ยมีอยู่สูตรหนึ่งข้างหน้าต่อไปเนี่ยผู้ที่ฟังธรรมที่ถูกต้องเนี่ยนะ ควรจะฟังธรรมฟังเพื่อเอากระถาวัตถุ10ประการนะก็คือฟังธรรมว่าทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้มักน้อยอย่างไรคุณแห่งความมักน้อยเป็นอย่างไรแล้วโทษแห่งความเป็นปนมกักมากเป็นต้นเป็นอย่างไรถ้าสันโดษแล้วดีอย่างไรถ้าไม่สันโดษแล้วเสียหายอย่างไรเนี่ยนะถ้าคลุกคลีแล้วมีโทษอย่างไรถ้าไม่คลุกคลีมีอุปการะคุณอย่างไรถ้าเกียดคร้านเสียหายตรงไหนถ้าปรารบความเพียรดีอย่างไรเนี่ย ถ้าหากว่าวิเวกดีอย่างไรถ้าไม่วิเวกเสียหายตรงไหนถ้ามีศีลศีลดีอย่างไรถ้าไม่มีศีลเสียหายอย่างไรเป็นต้นเนี่นะสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุมตติญาณลักษณะก็เหมือนกันเนี่ยนะมีอุปการะคุณมีคุณอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นอ่ะเสียหายแค่ไหนแล้วก็พยายามที่จะละสิ่งที่มีโทษพยายามจะเจริญในสิ่งที่มีประโยชน์พระองค์บอกว่าถ้าศึกษาพระธรรมควรตั้งใจในการศึกษา ในลักษณะนั้นศึกษาเพื่อเจริญกระถาวัตถุสิบศึกษาเพื่อเจริญสิกขาสามถ้าย่อลงมานะกระถาวัตถุสิบก็คือสิกขาสามอาธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเดียวข้างหน้าต่อไปจะสรุปให้ฟังว่าศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยนนะคือกระถาวัตถุสิบเนี่ยนะก็อะไรเป็นอยู่ในกลุ่มไหนเท่านั้นเองในข้อต่อไปเนี่ยนะว่าสันตุทะเนี่ยนะสันตุโถก็คือเป็นผู้ที่ สันโดษเนี่ยนะพระปุณณะเป็นผู้ที่มีความสันโดษขณะเดียวกันท่านก็สอนให้คนอื่นสันโดษและสันโดษเป็นอย่างไรสันโดษนั้นก็บอกหมายคำว่าประกอบด้วยความสันโดษอยู่ในปัจจัยตามมีตามได้ น, นะคำว่าตามมีตามได้เนี่ยเห็นไหมบอกว่าถ้าคนที่ไม่ตามมีตามได้นะได้อาหารมาเต็มโต้แล้วร้เครียดเลยนะมันน่าจะมีอันโน้นมันน่าจะมีอันนี้ unknown, เป็นต้นเนี่ยคือคือ คือในเวลาอันนั้น uh, น่ยมันมีอยู่เท่านี้จริงๆมันทําอะไรไม่ได้ลแล้วล่ะแล้วมาเอะอะโวยวายในตอนหลังเนี่ยทั้งๆที่มันทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วมาเดือดร้อนในตอนหลังอันอย่างนั้นเราเรียกว่าไม่สันโดษเนี่ยนะไม่สันโดษแต่ไม่ใช่ว่าโง OK, ่เขลาเบ า, าปัญญาแล้วไม่มีจะกินก็บอกโอ้ยกินข้าวอะไรนะอ่านได้มันนิดเดียวก็ต้มพอแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปทํำอะไรรอกเนี่ยเรียกว่าสันโดษอันนี้ไม่ใช่นะมันคาว่าสันโดษหมายคําว่าเช่นตัวเองเนี่ยเช่นมีเสื้อผ้า ตอนเนี้ยจะนุ่งเสื้อแบบไหนก็นุ่งตามที่มันมีอยู่มันไม่ใช่ไปร้องให้ในสิ่งหาสิ่งที่ไม่มีเนี่ยนะในขณะนั้นไม่ใช่ไปเดือดร้อนในสิ่งที่ไม่ไม่มีอยู่ในขณะนั้นเนี่ยนะอันนั้นแหละเรียกว่าสันโดษเนี่ยนะทีนี้ถ้าปรารถนาที่จะมีสิ่งเหล่านั้นก็ต้องไปดูว่าประโยค่เป็นต้นอ่ะจะเป็นปัจจัยให้ได้รับสิ่งเหล่านั้นไหมคําว่าสันโดษเนี่ยไอ้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็พอใจแต่ขณะเดียวกันก็ล้มเลิกโครงการการการ อ, อย่างเช่นถ้าเป็นคาราว่าแล้วพอบอกว่าอยู่ได้แล้วระดับนี้แล้ววันนี้มีรับประทานแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกสันโดษอันนี้ใช่ไหมบอกไม่ใช่ไม่ใช่คำสอนแน่นอนประัาณเพราะสันโดษนั้นจึงเรียกว่าพอใจในสิ่งที่มีอยู่ในขณะนั้นอันนี้เรียกว่าคิดให้มันมันไม่ต้องโยงมา ก, ก น, นะมีอะไรก็ใช้สิ่งนั้นไปกอนะไม่ใช่ว่า อู้อ่านพระไตรปิฎกอยู่งี้อู้ทำพระไตรปิฎกของเรานะถ้าตัวหนังสือมันโตกว่านี้นะอะไรเงี้ยก็คือก็เลยไม่ได้อ่านอะไรนั่งคิดเรื่องที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยแต่ถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่สันโดษแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคําว่าสันโดษคือใช้ของที่มีอยู่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดโดยที่ไม่เดือดร้อนใจนะั่นแหละเรียกว่าสันโดษในสันโดษท่านบอกว่ามีสิบสออย่างเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสเนี่ยนะ ก, ก็ปัจจัยมีสี่ใช่ไหมเครื่องนุ่งห่มคือจีวร อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยนะนะทีนี้ตัวสันโดษมีย่อๆเลยมีสามอย่างหนึ่งยะถาลาพระสันโดษตามได้ละลาบเนี่ยแปลว่าได้ยะถาแปลว่าตามเรียกว่าสันโดษตามได้สองยะถาพระสันโดษสันโดษตามกำลังพระเนี่ยนะนะสารูปยาถาสารูปปะสันโดษสารูปหรือว่าความสมควรก็ได้เรียกว่าสันโดษตามสมควรเนี่ยนะตามสารูป อันดับแรกก่อนเกี่ยวกับเรื่องจีวรเนี่ยน ะ, ะท่านบอกว่าภิกษุในศาสนานี้ได้จีวรไม่ดีได้ดีหรือไม่ดีก็ช่างเถอะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยจีวรนั้นเท่านั้นแล้วไม่ปรารถนาจีวรอื่นถึงได้มาเพิ่มอีกก็ไม่เอาละเพราะอะไรเพราะถือว่าตัวเองมีแล้วอย่างนี้ชื่อว่าสันโดษยะถาลาบสันโดษเนี่ยนะตามที่ได้ในจีวรของภิกษุนั้นเออได้ยังไงก็ใช้ไป อันนี้สำหรับคนที่เรียกว่าใช้พื้นไหนก็เป็นส ป, ปาญาเนะใช้พื้นไหนก็สบายได้อันไหนมาก็ใช้ไปเถอะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ผ้าเหล่านั้นเลยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าตัวเองเป็นคนที่ทุพพลภาพโดยปกติเป็นเพราะที่สุขภาพไม่ดีถูกความเจ็บป่วยป่วยด้วยชราด้วยได้จีวรหนักก็ลาบากใช่ไหได้จีวรหนักบางผ้าบางพื้นนี่มันหนักจริงไปนั่งจับน้าหนั ก, กอะไรนะ ไปที่ร้านร้านหนึ่งค่ะก็เย็บผ้ามาให้ดูว่ามันหนา น, น้ําหนักตั้งหลายกิโลเนี่ยนะมันนึกในใจโอ้ถ้าเอามาโฮมเนี่มันจะหนักขนาดไหนเนี่ยแล้วถ้าเกิดฝนตกเปียกจีวอนเนี่ยโอ้โหเดือดร้อนแน่ครั้งนี้เนี่ยนะบอกใครถาวายก็แม่คิดว่าคงไม่เอาหรอกว่า ง, งั้นเพราะอะไรเพราะว่าดูท่าเลยจะไม่ไม่ไม่ไม่สปายะแล้วว่างั้นเแอะไม่พละแล้วเนี่ยนะแบกไม่ไหวหรอกเนี่นนะ